แพเมตตากับอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่างกันอย่างไรการแผ่เมตตานั้นเหมือนนั่ง่งคุยกันอยู่กับใครแล้วเราอยากพูดดีให้เขาสบายใจ <c oughs> ก็จะมีลักษณะของจิตแบบแผ่เมตตาอ่อนๆอ อ, ออกมาแล้วหากใครบอกว่าฝึกแผ่เมตตาแล้วไม่สาเร็จเป็นของยากก็ขอให้ลองตั้งใจพูดดีพูดให้คนอื่นเรื่อนหูพูดให้คนอื่นเป็นสุข มีความสามารถขี่กลมเกลียวกันมากๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีตั้งใจไว้เลยว่าคำที่ออกจากปากเราจะมีแต่กลิ่นหอมหวนนุ่มนวลเสน่ห์โสดไม่เหม็นเน่าไม่แหลมระคายแก้วหูใครถึงวันหนึ่งหากสัมผัสรู้สึกได้ว่ามีกระแสความปรารถนาดีจริงใจแพ่นำออกไปก่อนพูดก็ให้ทราบเธอว่าอันนั้นแหละ คุณเป็นนักแผ่เมตตาผ่านคำพูดแล้วส่วนการอุทิศส่วนกุศล น, นั้นไม่ใช่แค่มีการตั้งจิตคิดดีกับใครเฉยๆก่อนอื่นต้องทำบุญหรือระลึกถึงบุญซึ่งทำให้เรารู้สึกถึงรัศมีกองบุญนั้นทำให้แช่มชื่นทำให้มีความยินดีปรีดาอย่างน้อยก็อยากทำให้ยิ้มในหน้าขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ความรู้สึกตรงนั้นคุณจะสัมผัสกองบุญอันเป็นนามธรรมาได้ด้วยใจอย่างแจ่มชัดแทบจะเรียกว่าเหมือนถือสมบัติเป็นตัวเป็นตนไว้ด้วยมือทีเดียวแตกต่างจากเวลาคิดนึกเอาลอยๆเป็นคนละเรื่องและเมื่อรู้สึกชัดราวกับกองบุญเป็นสมบัติที่ถือด้วยมือใจคุณย่อมเห็นกองบุญเป็นสิ่งที่ยกมอบผู้อื่นร่วมถือกองสมบัติด้วยกันได้เช่นกัน เรื่องสัมผัสอันเป็นนมามธรรมนั้นสนุกครับทำบุญไว้มา ก, มากๆเถอะจะเข้าใจที่ผมพูดตรงนี้เองเมื่อกล่าวถึงลักษณะจิตคิดอุทิศส่วนกุศลก็ต้องกล่าวถึงลักษณะจิตคิดรับส่วนกุศลด้วยการรับส่วนกุศลทำได้โดยยินดีเลื้มใจและคิดส่งเสริมสนับสนุนในบุญผู้อื่นอย่างที่เรียกว่าอนุโมทนาบุญนั่นเอง หากปราศจากจิตคิดยินดีในบุญจู่จูจ่บุญหนึ่งหนึ่งจะเข้าไปเป็นสมบัติของใครไม่ได้เหมือนประตูที่ไม่อารับของหรือเหมือนมือที่ไม่ยอมแบรรับเงินเข้าของเงินทองย่อมกองอยู่ตรงนั้นเฉยเฉยโดยไม่อาจมีผู้ใดนำไปใช้ได้อย่างมากที่สุดอาจเหมือนเข้าสาสน้ำมาให้เย็นผิวกายเดี๋ยวเดียวก็ร้อนใหม่โดยหาแหล่งน้าเองไม่เป็น การฝึกเฉลี่ยบุญให้ผู้อื่นอนุโมทนาคุณจะได้เห็นผลทันตาเป็นความเบิกบานใจของผู้รับนั้นอย่าเอาแต่นึกนึกคิดคิดอยู่ฝ่ายเดียวพลังจิตหรือพลังอธิษฐานของคนทั่วไปไม่อาจกระตุ้นให้ญาติมิตรรู้สึกดีขึ้นเหมือนสา์น้ำมนคุณควรชักชวนพูดคุยเหมือนเจาจะแจให้เขาเรื่นเริงใจเป็นปกติแล้วอาศัยความรื่นเริงใจของเขาเป็นสื่อ ค่อยๆหยอดค่อยๆพูดถึงบุญที่คุณทํามาพร้อมพรรณนาให้เขาซึมซับรับรู้ตามว่าคุณรู้สึกแสนดีปานไหนกับบุญที่ได้ทําอาจบรรยายบรรยากาศให้เขาเห็นภาพตามหรืออาจให้เขาสัมผัสถึถงความปรีดาปราโมทในใจของคุณขณะปัจจุบันนั้นเลยได้ยิ่งดีพอฝึกพูดให้คนอื่นนึกยินดีตามบุญของคุณได้บ่อยๆ คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังเพิ่มขึ้นชนิดหนึ่งคือสามารถกระตุ้นให้คนรอบข้างรู้สึกดีไปกับงานบุญงานกุศลของคุณได้อย่างรวดเร็วแม้เพียงเห็นคุณกำลังทำบุญก็เหมือนมีขายใยกุศลแผ่ออกไปโดยรอบและเหนี่ยวนำให้จิตใครต่อใครพลอยปลาบเริ่มยินดีไปพร้อมกันถาม เคยอ่านพบมาเห็นบอกว่าการอุทิศส่วนกุศลโดยตั้งจิตคิดยกให้คนอื่นทั้งหมดจะทำให้บุญหมดหรือเหลือบุญเพียงเครื่องเดียวอันนี้เป็นความจริงหรือไม่ตอบไม่จริงหรอกครับเหมือนคุณให้เขาเอาเทียนมาตอบเปลวไฟไฟของคุณไม่ดับลงหรอกกลับจะทำให้ห้องสว่างขึ้นเพราะเกิดการขยายผลบุญด้วยซ้า คุณได้บุญเพิ่มนะครับถ้าทำได้จริงไม่ใช่ว่าบุญลดคนเผยแพร่ความคิดผิดๆแบบเนี้ยจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิผลกรรมจะทำให้เขาจิตใจคับแคบมีศักดิ์ศรีน้อยทุ่มทำบุญแค่ไหนก็ได้ผลจำกัดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อหรือยินดีตามเนื่องจากอาจทำให้คุณได้ส่วนเคราะห์แบบเดียวกับเขาไปด้วยไม่มากก็น้อย Bye.